หล่อนรากเสียงเนิบๆ เ, เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพร้อมกับพยักหน้าช้าๆในตามีรอยยิ้มสังเกตเห็นเหมือนกันหรือนึกว่าจะไม่สนใจเสียอีกผมไม่ใช่คนตาบอดภาษาสัมผัสก็ไม่หยาบจนเกินไปนะักแม้ว่ากิริยามารยาทอาจหยาบไปบ้างตามภาษาคนดงชอบไหมที่ฉันทำที่นี่ให้หน้าอยู่ขึ้นคุณหญิงมีสัญชาตญาณในการสร้างสรรค์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความอบอุ่นพักพิงของผู้ที่อยู่ในปกครองนี่คือคุณสมบัติของกุลสตรีเสียดายเหลือเกินที่ผมไม่มีโอกาสชื่นชมกับความน่าอยู่ของมันได้นานนักเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องบุกไปนอนดงอีกแล้ววันนี้ในพรานของเราพูดได้เพราะหูเหลือเกินสิ่งใดก็าตามที่พูดออกมาแล้วเพราะหูหรือไม่เพราะหูก็ล้วนพูดออกมาจากใจจริงทั้งนั้น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 มิหนำซ้ำยังไม่ยอมรับเจตนาดีที่แสดงต่อด้วยทำให้หนักใจมาตลอดแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะก็ยังไม่แน่ใจนะักดีแล้วที่ไม่ประมาทอีกสองสจะถึงกระโจมพักหญิงสาวหันหน้ากลับมาอย่างไรก็ตามขอขอบใจอีกครั้งที่คุณไม่แสดงอะไรเป็นการขัดขวางฉันในการร่วมทางติดตามไอแหวงพรุ่งนี้ทั้งสองคนนั้นไม่เต็มใจจะให้ฉันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ใหญ่ ถึงกับออกป่ากเปเชิงห้ามฉันไว้ถ้าคุณท้วงขึ้นสักคาเดียวฉันก็คงไม่ได้ไปแน่ๆดีที่คุณไม่แสดงอาการขัดข้องอย่ใดออกมาโนพินยักไหล่นิดหนึ่งยิบน้อยๆปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากอันรบึ้มไปด้วยหนวดเคราไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อันใดที่ผมจะไปขัดขวางกิจการคุณหญิงไว้ทําให้คุณหญิงยิ่งชังขี้หน้าผมเพิ่มขึ้นเสียปเปล่าและหลงว่าถ้าคุณหญิงจะไปให้ได้ผมห้ามได้เสียเมื่อไหร่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 ซึ่งคุณชายก็อนุญาตแล้วริมฝีปากงามคู่นั้นเม้มเข้าหากันออนี่แปลว่าเท่าที่ไม่ได้คัดค้านอะไรออกไปก็เพียงแค่ไม่อยากจะขัดคอฉันเท่านั้นเองหรือเอขัดคอก็ไม่ชอบไม่ขัดคอก็ไม่ชอบอีกจะให้ผมทำยังไงละครับเห็นทีจะจนปัญญาเสร็จแล้วละมัง้งดาลินฝืนหัวเราะ ก, ก่อยๆตามีแววเงางอดถามมาน้าเสียงเครียด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 อยู่แคมป์เป็นเพื่อนคุณชายตรงกันข้ามหล่อนตอบหน้าตาเฉยอย่าหวังเลยยิ่งรู้อย่างนี้ก็ยิ่งทําให้ต้องการจะไปยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดไปให้เก็กกะเล่นก็ยังดีพรานใหญ่โครงศีระยังยอมแพ้หัวเราะขันขันผมก็ว่าแล้วยังจะมาคาดคาให้พูดตรงๆอะไรอยู่อีกพูดตรงหรือไม่ตรงผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาในแบบนี้อยู่วันยังขํานั่นก็คือถ้าจะทําอะไรแล้ว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 แล้วพีนถามเรื่อยๆก้มลงหยิบกวดก้อนเล็กๆขึ้นมาเดาะเล่นอยา่างปัสจักความหมายแล้วคว่างปลิวไปกระทบโขดหินกระดอนหายไปในเงามืดของป่ารกเบื้องหลังก็อย่างเดิมที่เคยตกลงกันไว้แล้วทุกครั้งนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาเป็นห่วงฉันอ๋อแน่นอนพรานใหญ่ตอบด้วยสีหน้าขึงขังคิดหรือว่าผมจะต้องมาเสียเวลาห่วงกังวลอะไรกับมือขนาดล้มมิงสาบ้าเลือดตัวนั้นมาแล้วเป็นการล้มในวินาทีคับขันที่สุด เพื่อช่วยชีวิตพรานอาชีพพูดมีนามว่ารัพินภัยวันไว้เสียด้วยต่อให้หกร้มก็รับรองว่าจะไม่ฉุดให้ลุก ข, ขึ้นนั่นถูกต้องที่สุดไม่ต้องฉุดไม่ต้องช่วยไม่ต้องคอยปครอบประคองอะไรให้เป็นพระละทั้งสิน้นราชนิกุลสาวเน้นเสียงมาชัดเจนพร้อมกับรอยยิ้มเยาะอันมีเรศในคนนี้ชื่อดารินไม่ใช่ชื่อแสงโสมคนละคนกัน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 เอาลิ้นดุลกับพุ้งแก้มทำเป็นเหลือบขึ้นไปดูกลุ่มดาวที่พราวสวายอยู่บนท้องฟ้าอันดำมืดระผินซอยเปลือกตาทีทีจ้องมองร่อนอยู่เช่นนั้นอย่างชงนฉงหายครามครั่นในที่สุดก็หัวเราะออกมาเบาๆจุดบุหรี่สูบคุณหญิงนี่เก่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งในด้านสืบสวนสืบสวนอะไรไม่ทราบผมอยากจะรู้ว่าคุณหญิงมีวิธีอย่างไรนะจึงทาให้เขาหยุดเว้นระยะ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 เสียจนฟังแล้วเอียนทีเดียวแหละไม่เสียแรงที่เป็นลูกน้องลูกพี่กันมานานผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไรอีกละ่ะหลอนโยกยัว่วแล้วเขาก็รู้ทันอยู่ทุกขณะด้วยความหงุดหงิดโคลงศีษะจุกปะเบาๆไหนที่สุดก็โลงออกมาว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อง่าแสงโสมนั่นน่ะผู้หญิงคนไหนที่ชื่อแสงโสมแล้วก็ทําไมอย่างไร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 แล้วหันพระไปอีกครั้งประมาณตีหนึ่งเศษเศษฝนพรมเป็นอองเย็นชำดาลินและชายยันตกใจตื่นขึ้นพร้อมๆกันเพราะการปลุกของเชษฐาทั้งสองผุดขึ้นจากเตียงก็เห็นหัวหน้าคณะยันกายนั่งกำลั ง, งเงี่ยหูเหมือนจะสะดับตับฟังเสียงอะไรอยู่ชายยันขยับจะอ้าปากถามเชษฐาก็ยกมือขึ้นเป็นเครื่องหมายห้ามไว้ให้สงบอึดใจต่อมานั่นเองท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางดึก มีเสียงช้างร้องจากหุบเบื้องต่ำลงไปดังแววขึ้นมาแทรกกับเสียงเม็ดฝนที่หยาดกระทบหลังคาเต็นท์อยู่เปาะแปะในขณะนี้ได้ยินหรือเปล่าหรือว่าหูฉันฝาดไปหัวหน้ า, นาคณะกระซิบมองดูตาเพื่อนชายและน้องสาวผู้กำลั ง, งเงี่ยหูจับเสียงอยู่เช่นกันดาดินกับชายยันเอื้อมมือไปคว้าไห่เฟิลขึ้นมาพร้อมๆกันราวกับจะนัดไวคนหนึ่งขยับลูกเลื่อนตรวจกระสุนที่บรรจุอยู่ในรงเพลิง ส่วนอีกคนหนึ่งกดหางเหยื่ยวหักกลักล้องเพราะเป็นแบบแฝดหัวใจเริ่มเต้นแรงความงวงเงียสลายไปเป็นปิดทิ้งในบัตรนั้นห่างมากคงจะอยู่ในทุ่งข้างล่างช ย, ยันพึมพำฟังอยู่สักห้าหกนาทีมาแล้วไม่แน่ใจก็เลยปลุกขึ้นมาให้ช่วยฟังเชษฐาบอกพวกข้างนอกเขารู้สึกกันบ้างหรือเปล่านะดาดินพูดพยายามจะจับกระแสเสียงจากนอกเต็นท์ซึ่งรู้สึกว่าจะเงียบเสียงเป็นปกติ เหมือนทุกคนจะหลับกันหมดโดยไม่รู้สึกตัวแกอยู่บนเตียงนั่นแหละเชษฐาอย่าพยายามลุกขึ้นฉันกับน้อยจะออกไปดูเองชายยานตบไหล่เชฐฐาแล้วพยักหน้าชวนดาดินออกไปนอกกระโจมพักฝนโปรยเม็ดบางๆอยู่ทั่วไปไฟทุกกองหมดเปลวเหลือแต่ฐานแดงเรืองพวกลูกหาและพานทุกคนนอนกันอยู่ระเกะระกะภายใต้ผ้าคลุมดูเหมือนจะหลับกันหมดแม้กระทั่งแง่ายผู้นอนขดตัวยุดิน ฉายผ้าใบาอันกั้นผนังเต็นท์ทั้งสองกวาดสายตาไปรอบๆตายเลยผู้นี้หลับกันหมดไม่มีใครอยู่ยามสักคนดาดินอุทานออกมาเบาๆฉันจะไปปลูกกรพินเองเธอปลูกแง่ทรายขาดคำชายยันก็สาวเท้าฝ่าระอองฝนออกไปดาดินตรงเข้าไปที่คนใช้ชาวโดงผู้นอนขดตะแคงอยู่พอร่อนซุดตัวลงขยับจะเอื้อมมือไปปลูกแง่ทรายก็ผุดลุกขึ้นนั่งช้าๆ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 ผมไม่ได้ยินหลอกเชษฐาเป็นคนปลุกผมกับน้อยขึ้นมาก็พอดีได้ยินมันร้องแวววมาตามลมครั้งหนึ่งเลยชวนกันออกมาดูทีแรกนึกว่าพวกคุณหลับไม่รู้สึกตัวกันเสียอีกชา ย, ยันหัวเราะออกมาเบาๆอดไม่ได้ที่ต้องอัศจรรย์ใจในวิธีนอนแบบหูผีจมูกมดของคนเหล่านี้เกิดจันทร์เสยและบุญคำตลอดจนแงาสายและดาลินบัดนี้พากันเคลื่อนเขามารวมกลุ่มกับช ย, ยันผู้กาลังพูดอยู่กับพรานใหญ่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 กระสับกระส่ายแสดงอาการสยองกลัวคนเหล่านั้นประสาทแม่นมั่งคงเสียแล้วอันเนื่องมาจากถูกโขงช้างลุยู่บุกเข้าโจมตีข่มขวัญอยู่หลายครั้งหลายคารวมทั้งภาพการตายอย่างสยดสยองของเพื่อนฝูงที่ต่างเห็นกันมากับตาแล้วจะเป็นโขงของไอ้แหวงใช่หรือไม่ก็ตามพอสัมผัสกับกลิ่นอายของช้างป่าขวัญก็เริ่มเสียทันทีบุญคาํา ป, าปราดก็ไปพูดจาปลอบขวัญพวกนั้นและบังคับให้สงบนิ่งรวมกลุ่มกันอยู่กับที่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 ถ้างั้นเราจะหลอให้ไอเดียฉานไวร้ายท้าเราอยู่ทําไมตลอดเวลาเราตามล่าตามล้างมันมาอย่างเลือดตาแทบกระเด็นเดี๋ยวนี้มันมาล้องท้าอยู่ใกล้ๆนี่แล้วไปนพินคุณนําผมไปรู้ดีรู้ชั่วกันไปคืนนี้แหละจะ บ, บ้าแล้วเหรอชา ย, ยันดาดินร้องออกมาเบาๆกระชากไหล่เพื่อนชายไว้จ้องหน้าเธอเป็นมนุษย์มีปัญญาแท้ๆจะหลงอุบายลงไปติดกับดักของสัตว์ทาาี่ฉานเงี้ยเลย มันอยู่ใต้ทางลมของเราแปลว่ามันจะต้องจับการเคลื่อนไหวของเราได้อยู่ทุกขณะมันร้องขึ้นก็เพื่อจะล่อให้เราลงไปแล้วนี่เป็นเวลากลางคืนต่อใเธอเก่งสักขนาดไหนก็ไม่มีวันได้เปรียบไปได้หรอกโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมันคอยระวังดักรอยอยู่ก่อนแล้วเช่นนี้ลงไปให้มันคยี่เสียนะสิกลางคืนหรือก ล, กลางวันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกสําหรับนพินชายยานแย้งเครียดๆอย่างไม่ยอมละความตั้งใจและถ้ามีเขาเป็นคนนํา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 ผมแนะนําคุณชายานเข้าไปถึงจุดที่จะยิงมันได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดปะทะตลุมบอลอย่างคุณหญิงว่าเราจะลําบากเดินเข้าหาฝูงเสือในเวลากลางคืนยังปลอดภัยกว่าที่จะเดินเข้าหาโขลงไอ้แหว่งมันรู้ถึงความได้เปรียบข้อนี้จึงพยายามหลอกล่อให้พวกเราลงไปถึงผมเองก็ไม่มีความคิดที่จะลงไปหามันในขณะนี้พรานใหญ่พูดขาดคําเสียงโฆษณามรืลึกจยูคู่อางาตก็ก้องกงวางขึ้นมาอีก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 เชิดาพูดออกมาจากมุ้งน้อยห้ามไว้รอกค่ะไว้ใจได้ไม่ไลยตะพานนั่นประเภทบ้าระหามเหมือนกันจำไม่ได้หรือคะเคยพาพี่ใหญ่ย่องเขาไปดูช้างตกมันห่างแค่วาเดียวเท่านั้นคิดแล้วยังใจหายอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันจะเหยียบหรือจะขยี้ยังไงก็สุดแล้วแต่มันเถอะเสียงอู่อี้ของชายยานดังมาเบาๆแต่ก่อนอื่น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 หัวหน้าคณะผู้อาวุโสเตือนสติมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆเสียงของพวกมันร้องกล้องมาตามลมเป็นระยะและเสียงกิ่งไม้หักอยู่ในหุบเบื้องล่างได้ยินถนัดในความเงียบซึ่งทุกคนนอนฟังอย่างสงบไม่ทำสิ่งใดให้เป็นการกระตุกกะตาขึ้นพอตีสองสำเนียงของช้างโคขงก็เงียบไปไม่ปรากฏวี่แววใดๆขึ้นอีกจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนฟ้าสางเล็กน้อย ท่ามกลางละอองหมอกที่ปกคลุมอยู่นาทึบคณะติดตามไอแหว่งทั้งหมดอันเป็นชุดเดิมโดยสมทบกับดารินเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งรวมเป็นเจ็ดคนก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้เชษฐาเคร่งขึนไปกว่าทุกวันเพราะความห่วงกังวลในน้องสาวบังเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างไรบอกไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนเองไม่มีโอกาสร่วมทางไปด้วยเช่นนี้หลายต่อหลายครั้งที่เชษฐาเกือบจะตัดสินใจยับยั้งดารินไว้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 เพราะฉะนั้นน้อยจะต้องรู้ตัวเองดีว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างดารินยิ้มชะโงกหน้าเข้าไปจูบแก้มพี่ชายอย่างเอาใจเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของพรานใหญ่น้อยเข้าใจดีค่ะและสัญญาว่าจะยึดถือข้อนี้ไว้อย่างเคร่งครัดพี่ใหญ่โปรดอย่ากังวลไปเลยอย่าประมาทใช้สมองและไหวพริบตลอดจนฝีมืออย่าใช้อารมณ์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 ดาดินกับชายยานโบกมือตอบตะโกนพูดร่าเริงกับเชษฐาอีกสองสมประโยคส่วนรผินผู้รั้งท้ายสุดยืนนิ่งมองดูหัวหน้าคณะผู้ปรากฏกายอยู่หน้าเต็นต์อึดใจใหญ่แล้วยกมือขึ้นแตะปีกหมวกส่งคารวะกึ่งอำลามาให้